สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว like anyway. ่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมสามประการนี้เ <corpo> ป็นมนทินภายในเป็นอะมิตรภายในเป็นฆ่าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในธรรมสามประการเป็นไงก็คือโลภโทสะโมหะนี่แหละเป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นฆ่าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในนะไม่ค่อยยอมรับนะว่าความโลภมันนะสมมติว่า ราคามันเกิดทําให้หัวเราะคิกๆใครจะคิดว่านี่โอ้โหมนทินนะเศร้ามองภายในนะอามิตรภายในข่าศึกภายในเพชฌฆาตภายในศัตรูภายในเนี่ยอยากจะยอมรับไหมอย่างนี้ไม่ยอมรับอ่ะนะนี่นะเดร์ฉานก็ะถามมวนขนาดทั้งวันเลยนะจะคิดโอ้ยตรูเนี่ยเล่นงานทั้งวันเลยนะไม่ไม่ไมค่อยยอมรับเนี่ยจึงเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ปกปิดจริงๆเนี่ยนะเป็นอันตรายชนิดปกปิดจริงๆ โลภะโทสะโมหะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโลภะโทสะโมหะยังจิตให้กำเริบโลภะโทสะโมหะเป็นภัยเกิดขึ้นในภายในภารชนคือคนผ่านก็ย่อมไม่รู้สึกถึงภัยนั้นคนโลภคนโกรธคนหลงย่อมไม่รู้อัดคนโลภคนโกรธคนหลงย่อมไม่เห็นธรรมความโลภความโกรธความหลงครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อก็ย่อมมีในขณะนั้น โทสะเนี่ยนะโลพาทโทสะโมหะเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้แหละมันทําให้มืดอย่างเดียวเลยนะมันเรื่องมีแต่ราคาโทสะโมหะแหละที่มันใหญ่นะที่เหลือมืดหมดศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณนทะัศนคํา ส, นะคสอนในพระไตรปิฎกมันจําไม่ได้สักอย่างหรอกก็นะเหลือแต่กิเลสนั่นแหละมันยกใหญ่แล้วแหละเพราะฉะนั้นอกุศลเหล่าอากุศลเหล่าเนี้ยจึงชื่อว่าเป็นอันตราย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 นะดูก่อนมหาบาพิษทำสามประการนี่แหลคือโลภะโทสะมโมหะเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกเพื่อความไม่ผาสุกเนี่ยนะนะคือความโลภเนี่ยนะเกิดมากเนี่ยทำให้ชีวิตเนี่ยตกยากนะความโลภเป็นเหตุเป็นสมุธฐานเป็นปัจจัยเนี่ยนะทำให้ชีวิตอยู่ในวะตะัตฏะอยู่แบบตกยากโทสะเป็นเหตุเนี่ยนะทำให้ผิวพันสามโมหะเนี่ยเป็นเหตุเนี่ยทำให้ ตกต่ำเนี่ยนะเรียกว่าได้ดีตกยากอาการดาีเป็นผู้เลวซามนะโดยเฉพาะโมหะนี่ก็เตือร้อนะนะลุ่มหลงพันพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าโลพะโทสะโมหะเกิดขึ้นในตนเวลาที่มันเกิดขึ้นภายในย่อมกำจัดบุรุษผู้มีจิตลามกเหมือนขุยไผ่กำจัดไม้ไผ่เะนั้นขุยไผ่เนี่ยเกิดกับไผ่ก่อใด ก่ อ, อภัยอันนั้นก็จะถึงความล่มสลายฉันใดโลภะโทสะโมหะนี้เหมือนกันเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดก็ยังจิตผู้นั้นน่ะให้เสียหายไปให้อันตรทานไปและพระองค์ก็ยังตรัสว่าราคาโทสะโมหะนี้มีอัตภาพนี้เป็นเหตุเกิดแต่อัตภาพนี้ น, นะกิเลสมันเกิดที่ไห น, นก็เกิดอยู่ในกายนี่แหละมันอาศัยกายนี่แหละเกิด ความไม่ยินดีในกุศลยินดีแต่ในกรรมทําให้ขนลุกวิตกทางใจก็ตั้งขึ้นแต่อัตาภาพนี้แล้วก็ผูกจิตเอาไว้เนีนย่ยนะกิเลสเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ผูกจิตให้จิตเนี่ยเป็นไปกับบาปเป็นไปกับกุศลใช่ไหมถ้าจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดอะไรเกิดต่อก็ทํากรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าทํากรรมนะความทุกข์ก็ติดตามประดังเข้ามาไม่มีจบมีสิน้นเะั้นกิเลสเนี่ยมันผูกไว้อย่างนี้เหมือนพวกเด็กผูกกาเอาไว้ที่ข้อเท้าฉะนั้น เพราะฉะนั้นเชื่อว่าเป็นที่อยู่แห่งอากุศลธรรมทั้งหลายจึงชื่อว่าอันตรายอันใครจะคิดว่าอากุศลธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายใช่อย่างไอการแข่งขันมวยนี่นะมันก็ส่งเสริมโทสะดีๆนี่แหละถ้าการละเล่นทั่วๆไปก็ส่งเสริมโลภะแต่ทุกอย่างก็โมหะเหมือนกันหมดที่นี้ใครจะคิดว่ามันเป็นอันตรายใช่ไ คิดเี่นะก็คิดว่าแต่ดีด <Thi Roth> really ีสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นต้นน่ยนะพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่แสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องกําจัดอันตรายความว่าธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยนะเป็นเครื่องละเป็นเครื่องกําจัดอันตรายเป็นเครื่องสงบประงับอันตรายเป็นเครื่องสละคืนอันตรายเป็นที่เครื่องระงับอันตรายเป็นอมตะนิพานที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเนี่ยสอนพระนิพาน เ พ, พราะนิพานเนี่ยเป็นเครื่องกำจัดอันตรายกำจัดบาปอากุศลทุกชนิดที่กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นทุจริษฐสามนิวรห้าไม่ว่าจะเป็นอากุศลละมูลไม่ว่าจะเป็นอุปกิเลสอกุศลาพิสังขารอากุศลทุกชนิดเนี่ยนิพานเนี่ยกำจัดอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมด น, น, นะนะก่อ น, นิพานก็ต้องไม่ลืมนะว่าธรรมะที่สงบระงับจากสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนอุปทิศทั้งปวงเนี่ยนะเป็นที่สำรอกตันหาเป็นที่เพิกถอนแห่ง อะไรเป็นที่ออกจากตัญหาชื่อว่าวานะเนี่ยนะมันพระองค์นี่แสดงสักขิธรรมคือพระนิพพานเนี่ยเป็นเครื่องกาจัดอันตรายคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงตรัสบอกปฏิปทาความว่าขอพระองค์ตรัสบอกปฏิปทาคือตรัสบอกชี้แจงแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื้นประกาศซึ่งปฏิปทาชอบปฏิปทาสมควร ปฏิปทาไม่เป็นค่าศึกปฏิปทาเป็นไปตามประโยชน์ความปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทรรมไม่ว่าจะเป็นความทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักประมาณในโพชนะความประกอบเนืองเนืองความเป็นผู้ตื่นนนะคือชาคริยานุโยกนะสติสัมปชัญญะสติปร ะ, ามม ะ, ประาธานสี่สมมาประธานสี่อิทิบาสีอินรีห้าพละห้า โฉงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดนิพพานและปฏิปทาอันให้ถึงพระนิพพานนั่เพราะนั้นขอให้พระองค์แต่งตั้งเปิดเผยจำแน ก, กนะจารณะเหล่านี้โพธิปัจขยธรรมเหล่านี้เถอะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าขอพระองค์ตรัสบอกปฏิปทาพระพุทธนิมิตนั้นทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วว่าพัทฒนเตอีกอย่างหนึ่งพัทฒนเตเนี่ยความว่าพระองค์เนี่ยตรัสบอกแสดงแต่งตั้งเปิดเผยทําให้ตื้น ประกาศแล้วซึ่งทาใดธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมดีนะขอให้พระพุทธเจ้าสอนเถอสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำเนี่ยเป็นธรรมดีอย่างเดียวเจริญงามไม่มีโทษควรซ่องเสพเพราะฉะนั้นขอพระองค์เนี่ยโปรดตรัสบอกปฏิปทานนะปฏิปทาก็คือจรณะนะโพธิปัจยธรรมนั่นเองหรือปาติโมกเนี่ยนะ คำว่าปาติโมกปาติโมกคืออะไรก็คือศีลที่เป็นที่ตั้งเป็นเบื้องบาตเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นปากเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายสรุปก็คือศีลเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายศีลเป็นเบื้องบาตแห่งกุศลธรรมทั้งหลายศีลเป็นความสำรวมเพื่อให้กุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นศีลเนี่ยเป็นปากแห่งกุศลธรรมศีลเป็นประธานแห่งกุศลธรรม คำว่าสมาธิเนี่ยนะสมาธิก็คือความดารงอยู่ความตั้งลงความเล่นไปความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตความเป็นผู้มีจิตอันอะไรอะไรให้เล่นไปไม่ได้อ่คือไม่ให้เล่นไปความสงบสมาธิสมาธินีสมาธิพร ะ, ะสัมมาสมาธิฉะนั้นจึงชื่อว่าปาติโมกหรือสมาธิสรุปที่พระพุทธนิมิตถามก็คือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจักสุ แจ่มแจ้งคือจากโูเนี่ยนะทรงแสดงศักิธรรมคือนิพพานเนี่ยเครื่องกำจัดอันตรายทั้งอันตรายปกปิดและเปิดเผยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ตรัสบอกปฏิปทาคือจรณะโพธิปักขิยธรรมไม่ว่าจะเป็นปาฏิโมกขสังวรหรือสมาธิเนี่ยนะ พระพุทธนมิตถามถึงปฏิปทาปาติโมกหรือสมาธิเนี่ยนะเพระนั้นะพระองค์ก็แนะนำเรื่องปาติโมกว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้โลเลด้วยจักสุพึงป้องกันหูจากคำ ม, มกักถาคำพูดของชาวบ้านนะนะไม่พึงติดใจในรถไม่พึงยึดถือสังขาอรอะไรๆว่าของเราในโลก ภาษารยบทนิเทศว่าภิกษุไม่พึงเป็นผู้โลเลด้วยจักสุทั้งหลายนีก่ก็มาดูว่าภิกษุผู้โลเลด้วยจักสุนี่เป็นอย่างไรคือคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้โลเลด้วยจักสุประกอบด้วยความเป็นผู้โลเลด้วยจักสุคิดว่ารูปที่เรายังไม่เคยดูก็ควรดูรูปที่เราเคยดูแล้วก็ควรผ่านไปดังนี้ไม่ต้องปิด เป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งความเที่ยวไปนานซึ่งความเที่ยวไปไม่แน่นอ น, น, นนะเที่ยวไปมากนะจากอารามสู่อารามจากสวนสู่สวนจากบ้านสู่บ้านจากนิคม ส, สู่นิค ม, คมจากนาครสู่นครจากแว่นแควนสู่แวนแควนจากชนบทสู่ชนบทเพื่อจะดูรูปอย่างนี้แหละเรียก ว, ว่าพิสูจผู้โลเลด้วยจากโซเที่ยวไปเรื่อยนะเที่ยวไปดูที่ต่างๆ อีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้เข้าไปสู่ละแวกบ้านก็เดินไปตามถนนเป็นผู้ไม่สำรวมเดินไปคือแลดูช้างดูม้าดูรถดูพลเดินเท้าแลดูสตรีแลดูบุรุษแลดูกุมารีนี่นแลดูกุมารกุมารีแลดูร้านตลาดดูหน้ามุกดูเรือนดูข้างบนดูข้างล่างดูทิศน้อยดูทิศใหญ่เดินไปอย่างนี้เรียกว่าผู้โลเลด้วยจักษุอีกอย่างหนึ่งภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้วเป็นผู้ถือนิมิต เป็นผู้ถืออนุพยัญชนะย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนศีที่ไม่สํารวมแล้วจะเพิ่งเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอลาโ ม, มกคืออภิชาและโทมนัสครอบงํานั้นอ่ะพิสูจนชื่อว่าไม่รักษาจากขุนศีย่อมไม่ถึงความสํารวมจากขุนศนะีก็อาศัยการดูแล้วก็เกิดอภิชากับโทมนัสเกิดโลภะโทสะเนี่ยนะท่านการดูอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดโลภะโทสะเรียกว่าไม่สํารวมจากขุนศี อันหนึ่งท่านส ม, มณพราหมณ์บางพวกเนี่ยนะฉันโภชนาที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วย่อมขวนขวายดูการเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลเห็นปานนี้เนี่ยก็ไปดูการฟ้นรำขับร้องประโคมมหรสศพไม่ว่าจะเป็นการรำเป็นต้นหรือการเล่านิยายเพลงปรบมือคล้องระนาดหนังเพลงขอทานเล่นไต่ราการเล่นหน้าศพเล่นชนช้างเล่นแข่งมา้า ชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่ชนนกกระทาร ำ, รำกระดมกระบี่กระบองชกมวยมวยปล้าการรบการตรวจพลการจัดกระบวนทัพหรือว่ากองทัพนี้เรียกว่าผู้โลเลด้วยจกักรสุดูไปเรื่อยนั่นแหละส่วนภิกษุผู้ไม่โลเลด้วยจกักรสุก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ละแวกนับบ้านเดินไปตามถนนเป็นผู้สำรวมเดินไป ไม่แลดูช้างไม่แลดูม้าไม่ดูรถไม่ดูคนเดินเท้าไม่แลดูสตรีคืออาการที่มันน่าเกลียดอนะนะไม่แลดูบุรุษไม่แลดูกุมารีไม่แลดูร้านตลาดไม่แลดูหน้ามุกเรือนไม่แลดูข้างบนไม่แลดูข้างล่างไม่แลดูทิศน้อยทิศใหญ่เดินไปเรียกว่าผู้ไม่โลเลด้วยจักสุก็ดูผู้ที่โลเลด้วยจักสุก็เลิกลากนะดูมั่วไปหมดมันยังไม่ใช่สมณะไม่ใช่นักบวชอย่างนั้นแหละ อีกอย่างหนึง่งพิกษุนเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนศีที่ไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอ ล, ลาโมกเขื่อพิชากะเลโทมนัในครอบงํานั้นอ่ะย่อมรักษาจากขุนศีย่อมถึงความสํารวมในจากขุนศีภิกษุไม่เป็นผู้โลเลด้วยจกักษุแม้อย่างนี้อันหนึ่งสมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วก็ย่อมขวนไม่ขวนขวายดูการลวเล่นอันเป็นค่าศึกแห่งกุศลเห็นตา น, นี้เนี่ยนะก็คือการขับการประโคมมหรสพมีการฟ้อนราขับร้องการเล่า น, นิยายเป็นต้นนะก็ไ่เที่ยวดูไอ้สิ่งที่มันขัดต่อกุศลนี่ยทลพิสูจเป็นผู้เว้นขาดจากการขวนขวายในการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเห็นตา น, นี้เรียกว่าไม่โลเลด้วยจักสุ คำว่าไม่พึงโลเลด้วยจักสุอธิบายว่าพึงละบันเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความเป็นผู้โลเลด้วยจักสุคือเป็นผู้เวน้นนะงดเวน้นเว้นขาดออกไปสลัดออกไปหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นผู้โลเลด้วยจักสุเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงเป็นผู้โลเลด้วยจักสุ ก็พึงป้องกันหูจากคำมักคาคำว่าพึงป้องกันหูจากคำมักคาก็คือคำของชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยนะก็อะไรบ้างอ่ะก็คือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องอามาเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ําเรื่องยานที่นอนดอกไม้ของหอมเรื่องยาติเรื่องบ้านนิคมนครชนบทสตรีบุรุษคนกล้าตรอกท่าน้ําคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบเตเลตเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญความเสื่อมเรียกว่าคำมักคา มันก็ป้องกันหูจากความมกระถาคำว่าพึงป้องกันหูคือพึงป้องกันห้ามสกัดกั้นรักษาคุ้มครองปิดตัดขาดซึ่งหูจากความมกระถาว่าอย่าไปฟังในเรื่องพันนั่นเหมือนั้นคำว่ารสนี่นะในคําว่าไม่พึงติดใจในรสรสก็คืออะไรก็รสที่เกิดจากรากรสที่เกิดจากลําต้นรสที่เปลือกรสที่ใบรสที่ดอกรสที่ผล รสเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสหวานรสขมรสเผ็ดรสเค็มรสปลารสเฟื่อนรสฝาดรสอร่อยรสไม่อร่อยรสเย็นรสร้อนนะก็มีสมณพราหม์บางพวกนะติดใจในรถเที่ยวแสวงหารสด้วยปลายลิ้นได้รสเปรี้ยวก็แสวงหารสไม่เปรี้ยวได้รสเปรี้ยวแล้วก็แสวงหารสเปรี้ยนะได้ไม่เปรี้ยวก็แสวงหาเปรี้ยวนะเกี่ยว่าได้เย็นแสวงหา ได้รสหวานก็แสวงหาไม่หวานได้รสไม่หวานก็แสวงหาหวานได้รสขมก็แสวงหาไม่ขมได้รสไม่ขมก็แสวงหารสขมได้รสเผ็ดแสวงหานะได้รสเผ็ดร้อนก็แสวงหารสไม่เผ็ดร้อนสุดได้รสไม่เผ็ดร้อนก็แสวงหารสเผ็ดร้อนได้รสเค็มก็แสวงหารสไม่เค็มได้รสไม่เค็มก็แสวงหารสเค็มนันะได้รสปลารสเฝื่องรสฝาดรสอร่อยรสไม่อร่อยรสเย็นรสร้อนก็แสวงหาตรงกันข้ามนั่นแหละ เพราะฉะนั้นก็ย่อมได้รถใดๆก็ไม่พอใจด้วยรถนั้นๆย่อมเที่ยวสแสวงหาอาหารอื่นๆเป็นผู้กำหนัดปราถนายินดีติดใจหลงไหลเกี่ยวข้องผัวพัน์ในรถที่ชอบใจความอยากในรถอันพิสูดเนี่ยตัดขาดละเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นภิกูุนั้นก็พิจารณาด้วยปัญญาผู้ที่จะไม่ติดใจในรถได้ก็ต้องเป็นผู้ที่พิจารณาด้วยปัญญา ก็ฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อตกแต่งไม่ใช่เพื่อประดับฉันอาหารเพื่อดํารงอยู่แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปเพื่อกําจัดความลําบากเพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจันท ร, ร์อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยนะว่าด้วยการทําอย่างนี้เราความสบายจากมีแก่เราอุปมาเหมือนว่าบุรุษบุคคลทาแผลเพื่อให้แผลหายนะ ยยดน้ำมันเพลาเกวียนเพื่อจะขนภาระกินเนื้อบุตรเพื่อจะออกจากทางกันดาลอย่างเดียวเท่านั้นฉันใดพันก็พิจารณาด้วยปัญญาแล้วจึงฉันอาหารก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ฉันเพื่อจะเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อตกแต่งไม่ฉันเพื่อประดับฉันเพียงเพื่อดารงอยู่แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกาจัดความลาบากเพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจันทร์เนี่ยนะ เพราะนั้นด้วยการทําอย่างนี้นะความไม่มีโทษความอยู่สบายจากมีด้วยอุบายนี้อัพิสูจนก็พึงละมรรเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มี ซ, ซึ่งความอยากในรถคือเป็นผู้งดเวน้นเว้นขาดออกสละพ้นไปไม่เกี่ยวข้องด้วยความอยากในรถพึงเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่จึงชื่อว่าไม่ติดใจในรถ